การภานานั้นไม่ใช่อะไรอื่นนะครับคือยุทธศาสตร์แห่งการดำรงชีวิตยอยู่หมแทนที่จะคล้อยตามกระแสความคิดยากแยะเราเปลี่ยนยุทธศาสตร์แห่งสัมผัสบริสุทธิ์ฐานของมันคือความรู้สึกตัวครับวเราก็พริบตามมีความรู้สึกสดประการหนึ่งปรากฏขึน้นหายใจเข้าหายใจออกพร้อมเป็นประสบการณ์จริงซึ่งามักเลวปัจจุบันขนาดนะ แต่ประเด็นนี้ครับที่เป็นประเด็นสกัดกันตรงที่ว่าการเจริญ ย, ยุทธสาสตนี้เป็นสิ่งที่ยากยิ่งครับเนื่องจากเราติดอยู่ในอารมณ์เราจํามันอย่างมั่นคงดังตัวอย่างกตัวอย่างว่าความตายนะครับเราไม่น่าจะ ก, กลัวตายเพราะเราไม่ไม่เคยมีประสบการณ์ของความตายแต่ถ้าใครบางคนอาจจะคิดว่าน่ า, าจจะตายในชาติปางก่อนมันสังสมประสบการณ์นั้นไว้ก็ได้